สมภัสสยองบ้านป้าเมื่อสามเดือนก่อนหลังจากที่ผมกลับมาจากเรียนพิเศษกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วผมก็ไปอาบน้ำแล้วมากินข้าวพอกินข้าวเสร็จพี่สาวข้างบ้านก็มาหา แล้วขอให้ผมช่วยไปนอนเฝ้าป้าของเธอหนึ่งคืนเพราะป้าแกไม่สบายผมก็เลยถามพี่สาวข้างบ้านไปว่าอา้าวแล้วพี่จะไปไหนเหรอครับพี่สาวตอบว่าคืนนี้พี่จะต้องไปในเมืองไปนอนค้างบ้านเพื่อนเพราะพรุ่งนี้จะต้องเดินทางออกไปทํางานที่ต่างจังหวัดผมจึงตอบตกลงแล้วเดินไปบ้านพี่สาวที่อยู่ไกลๆ ส่วนพี่สาวก็ขึ้นรถแล้วบอกผมว่าเธอจะกลับมาตอนเย็นของวันพรุ่งนี้จากนั้นเธอก็ขับรถออกไปพอผมไปถึงบ้านป้าก็เข้าไปในบ้านป้าเห็นผมแกก็ถักว่ามาเฝ้าป้าเหรอผมยกมือไหว้ป้าแล้วตอบว่าใช่ครับตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วผมจึงเข้าไปจับแจงที่นอน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเตียงของป้าเท่าไรนักพอสังเกตเห็นว่าป้าง่วงแล้วผมก็เดินไปปิดทีวีปิดไฟและพาป้าเข้านอนแล้วผมก็ล้มตัวลงนอนเช่นกันพอนอนไปได้สักพักผมก็ได้ยินเสียงผู้ชายมากระซิบที่ข้างหูเบาๆว่ามึองออกไปมึองออกไปซะถ้าไม่อยากเจอดี ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีพอมองไปรอบๆก็ไม่เห็นมีใครตอนนั้นผมกำลังจะกลับไปนอนต่อก็ได้ยินเสียงป้าเรียกให้พาแกไปเข้าห้องน้ำหน่อยผมจึงลุกขึ้นแล้วพยุงป้าไปในขณะที่ผมกำลังยืนรอป้าอยู่ที่หน้าห้องน้ำก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเป็นเสียงเหมือนคนกระซิบตอบกันไปมา แต่ฟังไม่ออกว่าพูดอะไรผมเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีและอยากจะให้เสียงหน้าคนลุกเหล่านั้นเงียบลงก็เลยเผลอพูดออกไปว่าใครมาคุยกันแถวนี้ดึกแล้วนะหลังจะพูดเสร็จเสียงนั้นก็เงียบไปผมรีบเอามือปิดปากเพราะนึกขึ้นได้ว่าเมื่อก่อนพ่อกับแม่ของผมเคยเตือนเอาไว้ว่าตอนกลางคืน ถาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอย่าไปพูดทักผมมองไป ร, บรอบๆห้องด้วยใจหวาดหวัน่นกลัวว่าเจ้าของเสียงนั้นจะโผลออกมาผมนิ่งเงียบอยู่สักพักเพื่อฟังเสียงนั้นแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกป้าที่อยู่ในห้องคงได้ยินที่ผมพูดแกจึงถามว่าผมคุยกับใครผมไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยตอบไปว่าเปล่าครับ ในใจของผมก็ภาวนาว่าขอให้เป็นแค่หูแววไปเองเมื่อป้าออกมาจากห้องน้ำผมก็พาป้าไปนอนที่เตียงมองดูนาฬิกาตอนนั้นก็ประมาณตีสองลาวผมจึงกลับไปนอนต่อเวลาผ่านไปผมก็ยังนอนไม่หลับเพราะมัวได้คิดถึงเสียงที่มากระซิบข้างหูก้อนหน้านั้น มันเป็นเสียงผู้ชายที่ผมเคยได้ยินมาก่อนแต่ก็นึกไม่ออกว่าเป็นเสียงใครเพราะผมเคลิมใกล้จะหลับก็ได้ยินเสียงเย็นยเยือกเสียงเดิมมากระซิบอีกว่าอยากเจอกูเหรอผมรู้สึกเสียวสลังหัวใจเต้นรัวไม่กล้าลืมตาขึ้นมาเพราะกลัวจะเห็นภาพสยดสยองจึงยกมือขึ้นผนมแล้วสวดมนต์ จากนั้นก็พล่อยหลับไปมาตื่นอีกทีก็สว่างแล้วผมจึงลาป้าแล้วรีบเดินกลับบ้านเพราะตกเย็นไม่เห็นพี่สาวข้างบ้านกลับมาผมก็เรีบเดินเข้าไปเพื่อเล่าเรื่องที่ผมเจอเมื่อคืนให้ฟังทั้งหมดพี่สาวยืนนิ่งอยู่สักพักก็บอกกับผมว่าอาจจะเป็นเสียงของแฟนเขาที่เพิ่งเสียไปแกคงห่วงบาน พอผมได้ฟังแล้วก็นึกออกว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนทำมถึงคุ้นหูนักเป็นเพราะแฟนของพี่สาวไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่ผมจึงไม่ค่อยได้เจอแกตอนที่แกเสียผมก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดหลายวันจึงไม่ได้ไปงานศพของแกหลังจากที่คุยกันเสร็จผมก็ลาพี่สาวกลับบ้าน ในใจก็นึกสยองถึงเหตุการณ์เมื่อคืนไม่หายจากนี้ผมคงไม่กล้าไปนอนค้างบ้านป่าที่อยู่ข้างบ้านไปอีกนานเด็กหญิงปริศนาเรื่องนี้เกิดขึ้นกับน้องชายของตนอ้อยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ต้นอ้อยมีน้องชายอยู่สองคนคนโตชืต่อตนกลาเรียนอยู่ชั้นมหนึ่งส่วนคนเล็กชื่อต้นไม้เรียนอยู่ชั้นปห้าเหตุการณ์หน้าขนหัวลูกนี้เกิดขึ้นในขณะที่ครอบครัวของตนอ้อยกำลังจัดงานฉลองวันเกิดให้กับตนกลาอย่างสนุกสนาน จ, จู่ๆต้นกลาก็พูดขึ้นมาว่าพี่อ้อยเห็นเด็กผู้หญิงตรงหน้าบ้านหรือเปล่า ตนอ้อยมองไปที่หน้าบ้านก็ไม่เห็นใครเธอจึงหันกลับมาตอบน้องชายว่าใครเหรอพี่ไม่เห็นนะแต่ตนกลา้ายังไม่หยุดความสงสัยเขาเดินไปที่หน้าบ้านทำท่าทางเหมือนมองหาใครสักคนตนกลาหันซ้ายหันขวาแล้วก็ไปหยุดสายตาที่บ้านป้าพรซึ่งอยู่ข้างๆบ้านพอดีไม่นาน ตนกล้าก็วิ่งหน้าตาตื่นกลับมาที่โต๊ะแล้วพูดว่าพี่อ้อยมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นเมื่อคุณพ่อได้ยินสองพี่น้องคุยกันหน้าตาตื่นจึงลุกขึ้นไปดูที่หน้าบ้านพ่อมองไปตามถนนทั้งซ้ายขวาแต่ก็ไม่พบใครจึงเดินกลับมาก็เห็นตนกล้าน้าสีดตนกล้า รีบจับมือต้นอ้อยพี่สาวไว้แนนเมื่อรู้ว่ามีแต่เขาคนเดียวที่มองเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้น พ, พ่อเห็นต้นกล้าตัวสัน่นจึงเดินไปหยิบสร้อยพระมาแล้วพนมมือท่องอะไรสักอย่างจากนั้นจึงนำสร้อยพระมาสวมให้ลูกต้นกล้าจึงบรรเทาความกลัวและรู้สึกดีขึ้นพอเกิดเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้ ก็เลยทำให้งานฉลองต้องจบลงก่อนเวลาอันควรจากนั้นพ่อกระบอกให้เด็กๆช่วยกันเก็บของและทำความสะอาดจะได้เตรียมตัวเข้านอนหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกันเข้านอนแล้วต้นไม้น้องคนเล็กสุดก็สะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอยู่พอเขาหันไปมองนอกหน้าต่าง ก็เห็นเงาดําเป็นร่างเด็กผู้หญิงผมยาวปรบาบบ่ารูปร่างเล็กและผอมต้นไม้คิดว่าตาฝ่าจึงลุกขึ้นไปดูแต่ก็ไม่เห็นใครเขาจึงปิดหน้าต่างที่เป็นกระจกแล้วกลับไปนอนต่อพอนอนไปได้สักพักต้นไม้ก็ได้ยินเสียงหมาเห่าหอนผสมร้องกันดังขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กผู้หญิง เสียงนั้นเย็นยาเยือแฝงไปด้วยความเศร้าและมันก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆทำให้เขาเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาแต่ก็ทำเป็นใจกล้าพูดออกไปว่าเฮ้ยใครมาร้องวะเนี่ยคนจะหลับจะนอนร้องไห้อยู่ได้เพราะต้นไม้นอนพลิกตัวหันไปทางหน้าต่างก็เห็นเด็กผู้หญิงยืนอยู่ด้านหลังกระจกของหน้าต่างบานนั้น เลือดสีแดงสดไหลนองเต็มใบหน้าของเธอในทันใดนั้นเองเธอก็เอามือที่ขาวซีดมาเคาะที่หน้าต่างเคาะอยู่อย่างนั้นหลายรอบพร้อมกับพูดข้อความซ้ำๆว่าช่วยหนูด้วยหนูไม่อยากตาย ต้นไม้ไม่อาจทนมองต่อไปได้อีกเขารีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปง่งแต่ก็ยังคงได้ยินเสียงร้องไห้หวยหวนที่ทั้งน่ากลัวและน่าสงสาร น, นั้นอยู่เสียงนั้นดังจนเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเขาจึงรวบรวมความกล้าแล้วพูดออกไปทั้งทั้ที่ยังคลุมโป่งว่าอย่าหลอกพี่เลยนะพวกนี้จะทำบุญทาทานไปให้ ที่กลัวแล้วไม่นานเสียงร้องไห้นั้นก็เงียบลงส่วนต้นไม้ก็นอนคลุมโปองอยู่อย่างนั้นจนพลอยหลับไปพอเช้ามาต้นไม้ก็เล่าเรื่องสยองที่เขาเจอเมื่อคืนให้ทุกคนฟังคุณพอ่อจึงพาลูกๆไปทำบุญที่วดัดให้ผีเด็กผู้หญิงตนนั้นหลังจากวันนั้น เธอก็ไม่ปรากฏตัวให้ใครได้เห็นอีกซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอคนนั้นเป็นใครและตายยังไงเอาไปคืนไม่งั้นจเจ้าไปอยู่ด้วยครูวิภาเคยเล่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของสารตาใหญ่ที่อยู่หน้าโรงเรียนให้ฟังว่า ครั้งหนึ่งตอนพักเที่ยงมีนักเรียนชายคนหนึ่งชื่อปอมเขาวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาหาครูบอกว่ามือถือของเขาหายไปพยายามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครูวิภาจึงออกไปช่วยหาและให้นักเรียนคนอื่นๆช่วยกันตามหาที่ต่างๆอีกแรงด้วยจนไปพบเศษซิมที่ถูกหักตกอยู่ในห้องน้ำนักเรียนแต่ก็ไม่พบมือถือของปอม จึงสันนิษฐานว่าอาจจะมีคนขโมยมือถือของปอมแล้วเอาซิมไปทิ้งในห้องน้ำแต่ครูวิภาไม่อยากสรุปว่ามีใครขโมยไปเพราะไม่มีหลักฐานของคนทําผิดที่ชัดเจนครูจึงพยายามปลอบใจปอมว่ามือถือของปอมอาจจะตกที่ไหนสักแห่งคงต้องค่อยๆหากันไปจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปเรียน วันถัดมาเป็นวันพระใหญ่ซึ่งทุกวันพระคณะครูในโรงเรียนจะนำดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้สารตายายที่หน้าโรงเรียนเป็นประจำเพื่อขอให้สารตายายคุ้มครองให้คนในโรงเรียนพบเจอแต่สิ่งดีๆครูวิภาจึงถือโอกาสนี้ขอสารตายายว่าถ้ามีคนขโมยมือถือของป้ามไปจริงๆก็ขอให้เจอตัวคนขโมยด้วยเถอะค่ะ วันนั้นทั้งวันครูวิภาก็ยังช่วยป้อมหามือถือตามที่ต่างๆเท่าที่ปอมจะนึกออกว่าได้เดินไปที่ไหนในโรงเรียนบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอมือถือเลยแล้วเรื่องแปลกๆ ก, ก็เกิดขึ้นในเช้าวันถัดมาขณะที่ครูวิภากำลังนั่งอยู่ในห้องพักครูก็มีนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งนามือถือมายื่นให้ครู ดวงตาของเธอบวมชำ้ำเหมือนกับร้องไห้มาทั้งคืนเธอสารภาพว่าเป็นคนขโมยมือถือของป้อมไปและที่เอามาคืนก็เพราะว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่เธอกำลังนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาเรียกชื่อตนเมื่อเธอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่ามีชายแก่คนหนึ่งกำลังยืนจ้องมองมาที่เธอ เธอพยายามปลุกพ่อกับแม่ที่นอนอยู่ไกลๆให้ตื่นแต่พวกท่านก็ไม่ตื่นไม่ว่าจะร้องเรียกดังมากขนาดไหนพวกท่านก็หลับสนิทไม่มีทีท่าว่าจะตื่นขึ้นมาเลยเธอเริ่มร้องไห้เพราะกลัวมากแล้วชายแก่คนนั้นก็พูดว่าถ้าไม่นำของที่ขโมยมาไปคืนกูจะเอาไปอยู่ด้วยพอสิ้นเสียง ร่างชายแก่คนนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปแต่เธอก็ยังร้องไห้เกือบทั้งคืนเพราะกลัวชายแก่มากเช้านี้จึงรีบเอาโทรศัพท์มือถือมาคืนครูวิภาจึงพานักเรียนหญิงคนนั้นไปหาปอมเพื่อนำโทรศัพท์ไปคืนและขอโทษปอมที่เธอขโมยของเขาไปครูวิภา ได้กำหนดบทลงโทษเด็กผู้หญิงคนนั้นตามระเบียบของโรงเรียนเพื่อไม่ให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างอีกแล้วจึงพาเธอไปจุดทูปไหว้ขอกมาที่สารตายายซึ่งเธอก็ยอมทำตามแต่โดยดีเพราะได้เจอกับตัวแล้วว่าสารตายายที่โรงเรียนนี้สักศิษย์จริงๆ เจอดีที่งานวัดคืนหนึ่งเวลาประมาณตีสองขณะที่แป้งกําลังนอนอยู่ก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นเพราะได้กินน้ำอบไทยลอยมาแต่จมูกพอหันไปมองรอบๆห้องก็ไม่เห็นใครไม่นานนากักกลิ่นน้ำอบที่หอมๆ อ, อยู่นั้นก็เปลี่ยนเป็นกลิ่นเหม็นเหมือนกับของเน่าลอยมา แต่ตอนนั้นแป้งง่วงมาจึงหลับต่อไปโดยไม่สนใจพอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่บอกแป้งด้วยสีหน้ากังวลว่าระวังตัวนะเขามาเตือนคืนนี้มีงานวัดใกล้บ้านของแป้งแป้งก็โทรนัดเพื่อนไปเที่ยวตามประสาวัยรนุนด้าและฝ้ายซึ่งเป็นเพื่อนของเธอ ก็ตกลงไปเที่ยวกับเธอด้วยพอถึงเวลานัดหมายแป้งก็เดินไปที่บ้านของดาที่อยู่ในซอยเดียวกันเพื่อรอให้ฝ้ายขีย่รถมอเตอร์ไซค์มารับไม่นานเมื่อฝ้ายมาถึงทั้งหมดก็ขึ้นรถซ้อนกันไปสามคนระหว่างทางก็คุยกันไปเรื่อยแป้งชวนเพื่อนไปปิดทองพระแต่ดาอยากเดินเที่ยวมากกว่า ส่วนฝ้ายก็ปฏิเสธที่จะไปปิดทองพระเหมือนกันแป้งก็เลยต้องเลิกล้มการปิดทองพระเพราะไม่มีใครอยากไปด้วยไม่นานทั้งหมดก็มาถึงทีวัดแป้งกับเพื่อนเดินเที่ยวกันอย่างเพลิดเพลินแวะซื้อของกินบ้างเล่นเกมในงานวัดบ้างพอเดินกันได้สักพักแป้งก็อยากเข้าห้องน้ําขึ้นมา แต่ตรงที่แป้งกับเพื่อนอยู่นั้นค่อนข้างไกลจากห้องน้ำพอสมควรแป้งบอกว่าไม่กล้าไปคนเดียวเพราะกว่าจะถึงห้องน้ำต้องเดินผ่านเจดีโกศัยอัถิคคนตายซึ่งบริเวณ น, นั้นแทบไม่มีคนอยู่และมีบรรยากาศน่ากลัวมากด้าและไฟจึงตกลงเดินไปส่งแตงและจะเข้าห้องน้ำด้วยเหมือนกัน ทั้งสามคนเดินผ่านเจดีและโกด้วยความรีบร้อนเพื่อจะได้ไปถึงห้องน้ำเร็วๆสักพักทั้งหมดก็ถึงห้องน้ำและเข้าไปทําธุระส่วนตัวแป้งเข้าห้องน้ำเสร็จก่อนจึงออกมารอที่ด้านนอกเพราะที่ห้องน้ำมีคนต่อแถวรอเข้ากันอยู่ไม่นานเธอก็เห็นดานและฝ้ายเดินออกมา ดาชวนให้ไปเที่ยวที่อื่นกันต่อแต่แป้งอยากกลับบ้านแล้วไฟจึงบอกว่าจะไปส่งแป้งที่บ้านก่อนแล้วดากับไฟก็จะไปเที่ยวกันต่อทั้งสามคนจึงเดินกลับไปทางเดิมเพื่อจะไปยังลานจอดรถที่จอดมอเตอร์ไซค์ไว้พอเดินมาถึงตรงที่เป็นเจดีแป้งก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังชนกับเจดี เธอสวมชุดดำผมสัน้นยืนก้มหน้าร้องไห้อยู่ในขณะที่แปง้งกำลังเพ่งมองด้วยความสงสัยอยู่นั้นผูห้หญิงคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นแล้วหันมามองทางแป้งที่เดินอยู่ใบหน้าของเธอคนนั้นเละจนแทบไม่มีชิ้นดีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพลอยคลากคลุ้งไปทั่วบริเวณแป้งตกใจแทบชอ็อก รีบถามเพื่อนอีกสองคนว่าเห็นผู้หญิงชุดดำผมสัน้นหน้าเละยืนหยุดตรงเจดีอย่างที่เธอเห็นหรือเปล่าแต่เพื่อนทั้งสองก็ตอบว่าไม่เห็นแป้งตัวสั่นด้วยความกลัวไฟจึงปลอบแป้งให้ใจเย็นๆแล้วรีบพาเพื่อนกลับบ้านระหว่างที่ทั้งสกําลังขี่รถออกจากลานจอดจนไปถึงประตูวัด ก็ได้ยินเสียงหมาหอนมาตลอดทางตอนนั้นถนนเปลี่ยวมากไม่ค่อยมีรถผ่านสักเท่าไหร่แป้งหันมองข้างทางทำท่าลุกลีลุกรนอย่างวาดระแวงเพราขี่ไปได้อีกสักพักฝ้ายก็เบรกรถกระทัห น, ห น, นหันจนทำให้รถเสียหลักล้มลงทุกคนกระเด็นออกจากรถคขอดีที่บาดเจ็บกันเพียงเล็กน้อย ไฟลยลุกขึ้นมาหน้าตาตื่นบอกว่าเธอเห็นผู้หญิงชุดดำหน้าเละเดินตัดหน้ารถแบบกระชันชิดทำให้เธอตกใจหักรถหลบจนล้มลงอย่างที่เห็นพอไ้ายพูดจบทั้งสามคนก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมาพวกเธอกลัวกันมากต่างพนมมือไหวแล้วนั่งเบียดกันแ น, น่นแป้งจึงพูดว่าอย่ามาหลอกพวกหนูเลย เดี๋ยวจะทําบุญไปให้ค่ะสิ้นเสียงนั้นกรินเมนเน่าก็หายไปฝ่ายจึงเดินไปพยุงรถขึ้นมาตรวจดูสภาพรถเมื่อตรวจดูแล้วรถก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนักทั้งสามจึงขึ้นรถด้วยสภาพแต่ละคนที่เจ็บไปตามตามกันแล้วมุงหน้าขี่รถตรงไปบ้านของแป้งทันที จากเรื่องสยองที่เพิ่งเจอทำให้ด้ากับฝ่ายไม่กล้ากลับบ้านของตัวเองจึงขอนอนค้างที่บ้านของแป้งจนรุ่งเชา้าทั้งสามคนก็ไปใส่บาตรให้กับวิญญาณผู้หญิงที่เจอเมื่อคืนแม้จะไม่รู้ว่าเธอเป็นใครทำไมถึงปรากฏตัวให้แป้งเห็นแต่ทั้งสามคนก็ขอให้ดวงวิญญาณของเธอนั้นไปสู่สุขติ หัดสิยอง